พูให้ศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านที่มานั่งอยู่ในที่นี่วันพุ่งนี้เป็นวันทอดกระถินของวัดของเราปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวในการทอดกถินความเป็นมาของกระถินพระพุทธเจ้าปรารบพระสงฆ์ที่จำพรรษาเดินทางไกลมากราบพระพุทธเจ้ามาไม่ทัน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 เข้าพรรษาก่อนคือพระพุทธเจ้าท่านให้เข้าพรรษาเดือนแปดเพนแล้วก็ออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดเพนถ้าว่ามีความจําเป็นจริงจริงก็ให้เข้าได้เดือนสิบเพนไปออกเดือนสิบสองเพนแปลว่าพรรษาหลังแต่นอกนั้นทางว่าไม่ใครไม่เข้าพรรษาพระพุทธเจ้าท่านทรง บัญญัติพินัยว่าปรับอาบัตทุกกฎแก่ภิกษสูที่ไม่เข้าพรรษาผิดศีลไปข้อหนึ่งเพราะงั้นเถอะเพราะฉนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นมาถึงเรย์จำพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็ฟ้าฝนยังไม่หายดีพระสงฆ์เหล่านั้นก็เดินทางมากราบพระพุทธเจ้าเดินผ่านท่องไร่ท่องนาธุระกันดารน้นํพาพอยังไม่หายขาดทําให้จีวรของพระเหล่านั้นแปดเปื้อนไปหมด พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวิในขึ้นมาท่านเห็นปราลบพระเหล่านั้นไม่จําเป็นจะต้องเอาผ้ามาทั้งสามผืนไตรจีวรเพียงแต่ผ้าสบงกับจีวรก็พอสังขาติจะเอาไว้ก็ได้ลักษณะอย่างนั้นก็เลยทรงบัญญัติวิในเกี่ยวกับกรถินขึ้นมาแต่นี้บัญญัติอนิสง์กระถิ่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็เกี่ยวกับพระโดยเฉพาะนะอ น, นิสง์ก็คือเป็นการยกเว้น บางสิ่งบางอย่างให้แก่พระเรียกว่าอ น, นิสงส์กถินไม่เหมือนพวกเราทําบุญทําทานพวกเรารักษาศีลภาวนาอันนั้นเปลนว่าอ น, นิสงส์การทําบุญทําทานนั้นเป็นอ น, นิสงส์ของจิตใจอันนี้เป็นว่าอ น, นิสงส์ที่วินัยเนี่ยให้เข้าว่าเป็นการยกเว้นบางสิ่งบางอย่างของพระวินัยท่านเองนะอันนี้คือเรื่องของสง์ ส่วนอเนิสง์ในการทําบุญทำทานของพวกเราเนี่ยก็คือการถวายผ้าพระกรถินให้พระสงฆ์ถวายแก่พระสงฆ์ได้ใช้องค์ไหนผ้าจีวรสบงชมรุดชุดโสมอ่าแล้วก็ถวายผ้าให้พระสงฆ์ได้เย็บได้ตัดได้ใช้อันนี้ก็คือผ้ากรถินแต่ตามที่จริงผ้ากรถินนี่มีกําหนดเพียงเดือนเดียวตั้งแต่วันออกพรรษา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 ไม่ผิดวินัยในหน้าแล้วนะหน้าฝนก็มีก็ต๊อปก็ตแตบที่มุงบงังส่วนหยูกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าบัญญัติให้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าอันนี้ก็คือกิจที่ควรทำของสงฆ์ที่บวชมาพระอุปัชฌาย์สอนอย่างนั้นเป็นอันดับแรกว่างั้นในภาคปฏิบัติในการเป็นอยู่ของพระทีนี้มานึกย้อนไปทีนิพท่านยกตัวอย่าง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 ท่านหนึ่งในกรุงราชสัก์เป็นคนตำข้าวเป็นคนตักน้าสรุปแล้วก็คือรับใช้ปัดกวาดทำความสะอาดเป็นคนรับใช้เป็นทาสเพราะงั้นเป็นทาสในบ้านของเศรษฐีสมัยก่อนมันมีถาดรับใช้นางปุณธาสีก็เป็นลักษณะอย่างนั้นรับใช้ตำข้าวตักน้ำมาบ้านเศรษฐี แต่พระพุทธองค์มองเห็นอุปนิสัยเก่าแก่ของนางปุณธาสีเนี่ยเข้ามาในขายของพระองค์พระขายคือพระานพระพุทธองค์ตอนเช้านะตอนบ่ายก่อนค่ำท่านจะเทศอุบาสกอุบาสิกาตอนหัวค่ำอย่างเนี้ยท่านจะเทศอบรมพระสงฆ์พอตอนตกกลางคืนหัวค่ำเนี่ยบางทีอุบาสกผู้ชายก็มาฟังเทศพร้อมกับพระสงฆ์พร้อมกับภิกษุรี พอตอนเที่ยงคืนพระพุทธองค์ตอบปัญหาเทวดาเนี่อตอบปัญหาเทวดาตอนตอนดึกนะตอนดึกสงัดอจากนั้นก็พระพุทธองค์ก็พักผ่อนอบรรทมพอจวนสว่างตีสามตีสี่พระพุทธองค์ลุกมาตรวจ ด, ดูสัตตวโลกจากนั้นก็ตอนจวนสว่างก็มองดูสัตวโลกคล้ายๆกับว่า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 วันนี้ เ, เราควรจะไปโปรดนางปุณธาศีตอนนี้ท่านก็เดินไปบินทบาทตอนเช้านางปุณธาศีวันนั้นเขาก็ตําข้าวตั้งแต่ตีสี่ตีห้าพอตําข้าวเสร็จแล้วเขาก็เอาแป้งล้าแป้งลํามาขยําขยํากับน้ํามาขยํากับพวกนมเนยที่มีอยู่จากนั้นเขาก็มาจี่บนฐานไฟ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 แต่ถ้าเราจะถวายพระพุทธเจ้าเพราเป็นของที่ตําช้าเป็นของที่เลวทรามสําหรับสั ม, มณะอย่างพระพุทธเจ้าแต่เป็นเป็นของดีสําหรับเราเราก็ได้กินอาหารอย่างนี้แต่ทํำยังไงเนอเราจรึงจะได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าพอนางคิดถอยหน้าถอยหลังพระพุทธองค์รู้วาราจิตของนาง พ, พุทธองค์ก็ชรํระลึงมองไปทางพระอานนต์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 ท่านจะคงจะโยนทิ้งเท่านั้นละ่ะเพราะท่านคงไม่ฉันให้เราเพราะของบริจาคของเราเป็นของต่ําช้าไม่สมฐานะที่พระพุทธองค์ต่นี้พระพุทธองค์รู้วรารจิตของนางท่านก็มองดูพระอานนท์ปูอาชนะลงที่โคลนต้นไม้พระอานนท์ก็ปูอาชนะลงสองแห่งพระพุทธองค์ก็ได้เข้าจีกก้อนนั้นแหละแบ่งให้พระอานนท์ครึ่งหนึ่ง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 เดินไปหน่อยหนึ่งนางก็เลยล้มตูมลงเลยเออทั้งกับของน้ํานางก็เลยตายเอองูเหา่าตัว น, นั้นก็คงจะพิษร้ายแรงมากพอสมควรมั้งนั่ะพอตายไปแล้วอนางก็เลยเหมือนกับฝันจิตออกจากร่างแล้วขึ้นไปสู่บนสวรรค์ไปอยู่สวรรค์ดาวดึงหรือสุดดุสิตเนี่ยหลวงพ่อก็จาไม่ชัดนะแต่อยู่สวรรค์ชั้นสูงพอสมควรเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมา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 เในยามราตรีอันนี้ก็คือความเป็นมาของการบังสกุลทีนี้พอนางปุณสทาสีตายไปแล้วที้เศรษฐีก็สมัยนั้นคนตายเขาเอาผ้าพันพันพันเลยประเทศอินเดียนะพันพันพันเสร็จแล้วเขาก็ไปทิ้งในป่าช้าผีดิบเลยว่างั้นเถอะเขาไปทิ้งเลยเอาผ้าพั น, พ, นพันแล้วทีนี้พรธองค์ก็เห็นว่า ผ้าที่นางพันนางปุณธาสีนั้นใช้ได้พระุธองค์ก็ไปชักผ้าบางสกุลพอชักผ้าบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตัดเดย็บมาซักเมืเอ่อกั้นพอได้ผ้ามาแล้วก็มาซักตอนนั้นที่ว่าเทวดานิลมิตรก้อนหินไว้สำหรับให้พระพุทธเจ้าซักผ้าจากนั้นก็ตัดเป็นสังคาติพุทธองค์ใช้ไปช่วระยะหนึ่ง ก็มอบให้พระมาหากระสปะใช้ต่อไปผ้าผืนนั้นแต่ว่าผ้าบางสกุลเป็นผ้าผืนแรกที่พระองค์ได้บัญญัติวินัยขึ้นมาคือผ้าบางสกุลจากนั้นท่านก็บัญญัติวินัยเกี่ยวกับผ้าบางสกุลมาเรื่อยๆมีหลายวาระมีหลายเวลาเหมือนนเถอะอันนี้คือคือความเป็นม า, าผ้าบางสกุลและผ้ากรถินอย่างที่เรียนให้พวกญาติโยมได้รับรู้รับทราบนี่แหละสรุปแล้ว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 โปรหิตรายจาอเป็นผพวกล่าวแนะนําสั่งสอนพระราชาทุกวันนี้กับเหมือนกับเป็นที่ปรึกษานั่นแหละเป็นที่ปรึกษาข้อกราชการงานเมืองอย่างทุกวันนี้คงจะเป็นองค์ขมูลทีว่า ง, งั้นเถอะอยู่กับพระราชาทีนี้พระราชาท่านครองราชฎรเคงจะไม่ใช่เมืองใหญ่นะเอแล้วก็ออกไปสืบราชการตามหัวเมืองต่างๆว่า ชาวบ้านเขาขัดข้องขัดเครืองอะไรไหมที่ที่เราปกครองเนี่ยน่ะเขาจินดีพอใจไหมพระเจ้าแผ่นดินก็ปลอมตัวนะปลอมตัวเป็นสามัญชนเนี่ยน่ะไปพร้อมกับโปรโหิตรเดินไปตามหมู่บ้านต่างๆพอไปหมู่บ้านหนึ่งนายบ้านเขาเคยเห็นพระเจ้าแผ่นดินเขาจําได้โอ้อันนี้พระเจ้าแผ่นดินตัวเนเอยจากนั้นมาเขาก็เลยเอาอาหาร เอออย่างดีว่างั้นเถอะเออห่อมาให้เออถวายพระเจ้าแผ่นดินให้ชงสเสวยวันนั้นตีพระเจ้าแผ่นดินพอท่านได้รับแล้วท่านเคนึกในใจนะ่ะใช่ถึงเราจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จริงอยู่แต่ว่าอาจารย์ของเราเนี่ยโคลหิตเนี่ยเหนือกว่าเราในแนวความคิดท่านเป็นอาจารย์ของเราเราควรจะบูชาพระคุณของอาจารย์อาจารย์เป็นผู้มีพระคุณอย่างมาก ในการปกครองประเทศชาติท่านก็เอาอาหารที่ได้มาจากนายบ้านมอบให้อาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์าทานจ้ะผมไม่ทานให้อาจารย์ทานพออาจารย์ได้รับอาหารอย่างนั้นมาแล้วอาจารย์ก็มองไปมองมาไปเห็นฤาษีกําลังเที่ยวบินทาบาทอยู่มาผ่านหน้าพอดีปโลหิตอาจารนั่นก็เลยเอาอาหารนั่นไปใส่ในบาตรของฤาษี ให้ท่านฤาษีได้ฉันท่านเป็นผู้มีศีลท่านี้พอฤาษีได้รับอาหารนั่นแล้วท่านก็มองไปมองมาไปเห็นพระประเจกพุทธเจ้านั่งอยู่โคลนต้นไม้เฮ้ยฤาษีนี่นก็เลยเอาอาหารนั้นไปถวายพระประเจกพุทธเจ้าเฮ้ยพระประเจกพุทธเจ้าท่านก็มองไปมองมาไม่เห็นใครที่จะเหนือกว่าท่านท่านก็ฉันอพรางนั้นฉันอาหารเฮ้ฉันอาหารนั้นต์ท่านนี้นายบ้านเขาเลยคล่องในใจไง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 นำอาหารที่ได้มาเนี่ยถวายแก่ผู้ทรงศีลคือลือศีให้ท่านได้ฉันและให้ท่านบำเพ็ญจะเกิดประโยชน์แก่ อ, อชาวประชาทั้งหลายทีนี้ถามฤือีท่านฤือีในเมื่อโปรหิตถวายอาหารแก่ท่านแล้วท่านทำไมไม่ฉันอาหารที่โปรหิตถวายท่านทําไมไปถวายแกพระปเจริศีบอกว่าถึงเราจะมีศีลก็จริงอยู่ แต่ใจของเราเนี่ยยังไม่บริสุทธิ์ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่เพราะนั้นเห็นพระประเจกพระุทธเจ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ตัดกิเลสท่านจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วเพราะนั้นท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับอาหารอันนี้แต่นี้นายบ้านก็ไปถามพระประเจกพระประเจกเาบอกว่าเรามองอยู่ในพื้นปฏิพีเนี่ยที่เรามองรอบเราเนี่ย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 ส่วนที่จะมาเวียนว้ายตายเกิดออกจากจิตใจของเราแล้วเราบริสุทธิ์แล้วเราไม่มีกิเลสอีกแล้วพระประเจกพูดอย่างนั้นพอะสะรุปได้ว่านะการทำบุญทำทานถ้าว่าใครทำบุญกับพระประเจกกับพระพุทธเจ้ากับพระหันสาวกอานนี้สง์จะมากกว่าทากับพระพุทุชนทากับผู้มีศีล ถ้าว่าทากับผู้มีสินก็ได้มากกว่าทากับคนที่ทุสินสามัญชนไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงสัตว์ทิรฉาญช้างมา้าวัวควายหมูหม า, เ, าเป็ดไกจด่จนถึงมดจนถึงแมลงบางงั้นเถอะ อ, อันนี้สงสจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้ในการทำทานเพราะนั้นในการทำทานนี่ก็มีขั้นตอนอย่างนั้นหละ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 ข้าวปลูกก็เป็นข้าวปลูกที่ดีสมบูรณ์เนื้อนาก่อนเนื้อนาที่ดีท่านได้บริสุทธิ์แล้วอันนี้แต่ว่าอันนี้สูงมากอันนี้พูดตามพระไตรปิฎกนะให้พวกเราไปเปรียบเทียบไปศึกษาไปคิดไตรตรองดูอี ก, กแล้วกันนะอันนี้แปลว่าให้ข้อมูลให้พวกเราได้คิดตนเองเอม่ได้พูดแกท่านผูดด้ใดใครผู้หนึ่งแบบนั้นเถอะอันนี้พูดตามหลัก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 อย่างคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดมาพบหน้าชาติหน้าชีวิตจะสั้นเลยถ้ามางั้นทาว่าใครชอบทุบตีสัตว์ทอบลังแกสัตว์เกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะมีพญาติโรคาตั้งแต่วันเกิดมา ง, งั้นเถอะเป็นโรคภยครัยไข้เจ็บตลอดอันนี้ก็คือพวกที่ชอบเบียดเบียนลังแกสัตว์นี่แหละสินคอ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 อันนี้คือสินห้าคือคือสินของคระวา่าตสาหรับสินพระศินสองรอยี่สิบเจ็ดเนียฝ่ายพระท่านก็จะได้ทาเนียบท่านเหมือนกันนะว่าสินของท่านเนี่ยขาดตกบกพ่องไหมในสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อขาดมากไหมขาดน้อยไหมเรืองบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่างอันนี้ท่านก็จะได้ตรวจตราของท่านอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ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 อ่าอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละการจะตำนิคนอื่นต้องดูตนเองสะกก่อนนะอันนี้คือศีลทานศีลภาวนาภาวนาทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งอ่าคือภาวนาเนี่ยเราจะกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนนะตามให้จริงการภาวนาเนี่ยสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสำคัญอย่างมากมาอันดับหนึ่งคือสติถ้าหากว่าสติขาดไปแล้ว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 อันนี้ว่าสัมปชัชญะสติคือความระลึกได้สัมปชัชญะคือความรู้ตัวเพราะฉนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยสำหรับพวกญาติโยมทุกๆ ท, ท่านตลอดถึงทุกท่านอะ่ะที่เป็นพระสงฆ์ก็เหมือนกันอะ่ะควรจะมีควรจะฝึกเอาไว้นะจากนั้นเมื่อมีสติสมบูรณ์แล้ว เ, เราจะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือเราจะภาวนาอันไหนยุบเนาะพองเนาะหรือว่าเราจะ กำหนดสติจับอยู่ในจิตการเคลื่อนไหวของจิตการเคลื่อนไหวของใจขณะนี้เรานึกคิดเรื่องอะไรอยู่ถ้ามีสติแล้วเราจะกาหนดดูได้เห็นได้รู้ได้แต่ถ้ามันขาดสติแล้วมันทำไม่ได้สักอย่างนั่นขนาดจับกำหนดลมหายใจยังหลงหลงลืมลืมแล้วจะไปจับจิตเป็นไปไม่ได้ลืมทั้งหมดเพราะนั้น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 แต่นี้ก็บางครั้งกิเลสมันก็สู้เหมือนกันเน๊ะแต่มันสู้พวกเราก็ควรจะรู้จักนะเขาวนี้สู้ไม่ไหวไว้ยนอนสะกก่อนเขาน้าลุกมาสู้มาอีกออผลที่สุดหลายครั้งต่อหลายหนเราก็สู้มันได้ได้ท่านนี้พิจารณาได้สู้มันได้จิตใจสงบเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็นํามาพิจารณาทางปัญญาทีนี้จิตสงบนั่นคือสมถะ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 ที่ได้เข้ามาศึกษาลุงพ่อบอกว่าให้พวกเรากําหนดดูน ะ, ะไม่ต้องเพียรณาชวอื่นร่างกายของเรานี่เป็นกระดูกมีกระดูกใช่ไหมกระดูกเป็นโครงเป็นโครงสร้างใช่ไหมพวกเราต้องต้องว่าใช่เป็นกระดูกเป็นโครงสร้างกระดูกเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราอยา ก, ยกศึกษานะเราไปดู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 จับแบบนี้ระหว่างสมรรถะหรือว่าสมาธิส่วนีิปัสนาในกาหนดให้ดูล่างกายหลายอย่างดูธาตุีก็ใช่ดูล่างกายเป็นอสุภะก็ใช่แต่นี้เราไม่ดูอย่างอื่นจะให้ดูกระดูกัวซิมาเนี่นะให้กาหนดดูกระดูกดูตั้งแต่กระโหลกศีรษะของเราตาของเราเป็นยังไงกระโหลกของเราเป็นยังไงกระดูกคอของเราเป็นยังไงกระดูกแขน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 แข้งกระดูกขาและกระดูกตัวไหนที่ชัดเจนในความรู้สึกของเรานะี่ะเอาจิตจับอยู่ตรงนั้นบาดถ้าเรากําหนดเหนื่อยแล้วนะเอาจิตจอกําหนดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเใจของเราจะเข้าความสงบนิ่งเลยแหละทีนี้อจบจิตสงบนิ่งเลยถ้าจะให้จิตพักผ่อนจิตนิ่งนะเออถ้าว่าเราไม่พิจารณาอย่างนั้นจิตมันจะบลอกแวกบกแวกบกแฝกออกไปเรื่อยๆนะ เ, เมื่อกําหนดอย่างนั้นจิตของเราจะได้รับความ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 แต่พอมาถึงจุดนั้นแล้วพอลาโลกไปแล้วเนี่ยกระดูกตัวเองก็เอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งไว้ในแผ่นดินทิ้งไว้ในเม น, นั่นนะเอาไปเผาในเมน ก, กระดู ก, กอยู่ในเม น, นั่นแนหะเอาไปไว้หงสุยก็ไปกองอยู่ในนั้นแหล ะ, ะเหมือนกับซากรถซนะากรถที่มันหมดสภาพแล้วเขาไปทิ้งนะว่าป่าช้ารถนะที่พวกเราเคยเห็นมันรถที่เขาไม่ใช่นะ่ยมันหมดสภาพแล้ว มันก็ต้องทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราคนเราทุกๆคนนะ่ะถ้าหมดสภาพแล้วก็มันก็ต้องทิ้งอย่างนั้นน่ะทีนี้ใจของเราล่ะทีนี้มันไม่ตายด้วยเด้ะแหม่พอออกจากร่างนี่แล้วไปเกิดปฏิสนธิที่อื่นแล้วทีนี้ในเมื่อเราพิจารณากรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่น่ะเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วนะแหเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะเกิดความเบือ่เอเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายคลายเนี่ยจิตใจก็หลุดพ้นจากกิเลสความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าพวกเรานำมาปฏิบัติ ด, ดูนะอยู่ในบ้านพวกเราก็ทำได้นะภาวนาเนี่ย น, นี้แหละอา น, นิสงส์แห่งการภาวนาเนี่ยมากลนพุทธเจ้าทำให้จิตใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเมื่อจิตใจรู้ตามความเป็นจริงแล้ว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 เพรว่าทางการหขาดไปซะเมื่อก็เลยหมดเลยมันใจขาดไปแล้วมันทุกข์มากๆเลยว่างั้นในจุดนั้นในจุดที่เ อ, อจิตใจจะออกจากร่างนั่นนะอ่ะอมันเป็นจุดที่ทุกข์ที่สุดจนใจรับไม่ได้เลยว่างั้นร่างกายอันเนี้ยเอวันนั้นพวกเราทุกๆท่านนะพยายามเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เชื่อในเ อ, อที่พระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ท่านบอกแนะนําเอาไว้แล้วก็พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติทางว่าปฏิบัติอย่างที่อาตมาได้พูดแนะนํากล่าวให้ฟังนี้พวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขทางจิตใจนะ่ะจิตใจจะไม่ทุรนทุลายจิตใจจะเยือกเย็นจิตใจจะมีความสุขรู้จักเขารู้จักเรานะนี่แหละเอแต่ว่าตามที่จริงเมื่อเราอยู่ในโลก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 เราเอาไปด้วยไม่ได้เด้อวัดเราก็เอาไปด้วยไปได้อดิบดีขนาดไหนเอที่เราทําในโลกนี้เราเอาไปด้วยไม่ได้เราทิ้งทั้งหมดอกระดูกของเราเอาไปด้วยไม่ได้นะอ่ทุกสิยงทุกอย่างต้องปล่อยทิ้งทั้งหมดอันนี้คือคําในใจของเรานะอันนี้เราปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางข้างนอกเด้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 นี่แห ล, ละของพุทธศาสนาไม่ใช่ปล่อยที่อื่นไม่ใช่วางที่อื่นเน๊ะปล่อยวางที่ใจของเรานั่นแหละะวันนี้ลุงพ่อกิ๊บว่าจะพูดเพียงสั้นๆ น, น้อยๆนะเออพอได้พูดมาก็ยืดยาวคนนานๆพวกเราได้พบได้เจอกันอมนานๆปีหนึ่งหรือแบบเป็นวันกระถินญ์ยังได้มาพบกันอย่างนี้ล่ ะ, อะพอจากนั้นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันเน้นนำทำคําพูดของหลวงพ่อนี่แหละนําไปคิดไปไตรตรองดูนะ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 อยอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่อันเดียวกันเราจะรู้ชัดโดยตนเองนะไม่ต้องถามใครอนะไรแบบนั้นแต่ถ้าจิตสงบนะ เ, เพราะนั้นเอเราจะไม่เชื่อใครก็พยายามดูหลักพิสูจน์ของพุทธศาสนามีอยู่แล้วนะอนี่แหละแต่โดยมากเดี๋ยวนี้อ่คนทั้งหลายนี่ถึงยังไงยังไงมันก็สงสัยอยู่นะอสงสัยอยู่ในใจนะ่ะเอ๊ะตายแล้วมันจะได้เกิดบ่ อย่างเนี้ยก็เลยไม่มั่นใจเพราะไม่มั่นใจเกิดการทำคุณงามความดีก็ทำแบบค่อยๆว่าไม่เต็มที่เหมืันนเถอะพอทำไปแล้วกลัวจะสูญเปล่าเหมือนกเอเพราะนั้นอย่าไปคิดเลยเพยายามหลักพิสูจน์ก็มีทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจิตสงบแล้วเนี่ยจะรู้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนะวันนี้ก็พูดมาเสียยืดยาว